เข้าใจรูปนามเข้าใจสติแล้วเนี่ยมันจะทาอะไรสนุกงานจะเป็นเรื่องสนุกทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทาด้วยความอยากมันทาด้วยกำลังของสติปัญญาดึงรูปกับนามไปด้วยกันอันนี้คือวิธีการลำดับที่จะไปเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่ตั้งสติกันขนาดนั้นน่ะโอ้โหความไวของของความอยากมันไวจริงๆนะเผลอไม่ได้เผ <ๆ S 2> ลอปป๊บเข้าเลย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 พระรมคือความตั้งใจเพราะสงคือการรวมกายรวมใจมาสังฆะกันกายเวทนาจิตต์มาสมัคีกันให้มันอยู่ด้วยกันแล้เป็นสังฆะแล้วเห็นไหมถ้าลัตนะตรยแบบนี้มันสัมผัสได้ตลอดเวลาพึ่งได้ตลอดเวลาะดังนั้นจุดนี้ในภาคปฏิบัติแล้วเราจำเป็นต้องทําแบบเข้าห้องแลบกันเลยไม่ใช่ทําแบบรู้ก็แล้วไม่รู้ก็แล้วไม่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 ดังนั้นเองเราในห้าตัวเนี่ยท่านบอกว่าเป็นหลักของอินรีย์ถ้าทําให้มันสมดุลกันแล้วท่างเรียเป็นพระพล ะ, ะห้าใช่ไหมอีซีห้าพละห้าพออีซีพระมันสมดุลกันมันเกิดอะไรเกิดโพชงจิตเพราะฉะนั้นทําในฝ่ายตรัสรู้เนี่ยที่ว่าสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อีซีห้าพละห้า